สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจาก4ีบานนะครับในเช้าวันนี้ผมจะขอสรุปพระธรรม1นงพงกษัตรและอ้างอิงไปถึง2องพงกษัตริย์1 ง, งพงศษัตรวดนด้วยเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์แผ่นดินอิสราเอลหนังสือ1พงพงษัตรย์2พงศษัตรนั้น ก็คือเป็นการบันทึกและตีความเรื่องราวการปกครองของบรรดากษัตริอิสราเอลและยูดาทุกพระองค์เลยครับยกเว้นกษัตริย์ซาอูลเพราะกษัตริซาอูลนั้นเขาได้บันทึกอยู่ในพระธรรมสองสมูเอลครับแต่พอมาเป็นหนึ่งพงศษปุ๊บก็จะบันทึกดาวิดนะครับซึ่งเป็นวารคสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ท่านในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่หนึ่งบทที่2แต่เหตุการณ์ส่วนใหญ่ ของกษัตริย์ดาวิดและซาอูลนั้นบันทึกอยู่ในพระธรรม1สซามูเอลสซเมอเอละครับพอพี่น้องจัดอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราเห็นหนังสือประวัติศาสตร์6เล่มด้วยกันตั้งแต่1 2สซามูเอล1 2ึงสพงษัตรและ1 2งสพงศ์สวด า, านรวมทั้งสิ้น6เล่มครับในวันนี้ผมจะได้บรรยายให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของ1 2ึงศษัตรเพราะว่าหลังจากที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึก ต่อจากกษัตริย์ดาวิดก็จะเป็นกษัตริย์กษัตริย์โลอมอนเพราะฉะนั้นหนังสือพงกษัตริย์นั้นเล่มที่1ก็เริ่มต้นจากการปกครองของซาโลอมอนจนถึงสิ้นสุดการปกครองของเสเดียคิยาเสเดียคิยานั้นเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดาครับพี่น้องคงจําได้นะครับยูดาานั้นเป็นดินแดนฝ่ายอิสราเอลตอนใต้ครับที่ถูกแบ่งแยกออกมา เสด็จคียานั้นครองราชจนประเทศฝ่ายใต้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชเลยที่บาบิโลนเพราะว่าพ่ายแพ้ต่อบาบิโลนเสียกรุงเยรูซาเล็มครับต่อจากนั้นแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นก็ตกอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สําเร็จราชการที่ส่งมาจากบาบิโลนเพราะฉะนั้นถ้าหากสรุประยะเวลาทางประวัติศาสตร์ของหนังสือทั้ง2เล่มนะครับก็คือ1นึงพงกษัตริย์และสองพงกษัตริย์นั้นก็สามารถที่จะแบ่งเป็นสามช่วงใหญ่ๆช่วงแรกก็คือแผ่นดินรวม หรือว่าอยู่ในเดดคิงดอมก็คือเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลนั้นยังไม่ได้แบ่งแยกการปกครองอยู่ในสมัยของก ษ, ษัตริยร์โซโลมอนครับพี่น้องครับอยู่ในเดดคิงดอมนั้นก็คือซาอูลดาวิดและโซโลมอนต่อจากโซโลมอนครับก็เป็นช่วงที่สองก็คือช่วงสองแผ่นดินที่เราเรียกว่า divided kingdom ก็คืออาณาจาักรถูกแยกออก เกิดจากการแยกตัวไปตั้งเป็นประเทศฝ่ายเหนือก็คืออิสราเอลและก็ประเทศฝ่ายใต้ก็คือยูดาช่วง2แผ่นดินหรือ Divided k i งด d อมนั้นก็เริ่มต้นจากตรงนั้นไปจนถึงการล่มสลายของประเทศ Israel เอิสราเอลฝ่ายเหนือที่ถูกมาหาอำนาจอาเซียนั้นได้ตีแตกและกวาดต้อดไปเป็นเฉลยนั่นแหละครับคือสิ้นสุดในช่วงที่2พอมาถึงช่วงที่3ครับก็เหลือแต่ยูดา ประเทศเดียวก็คืออิสราเอลฝ่ายใต้ก็เลยเรียกว่าแผ่นดินเดียวหรือเรียกว่า one kingdom บันทึกเรื่องราวของยูดาห์หลังจากประเทศฝ่ายเหนือนั้นตกไปเป็นเฉลยครับจนกระทั่งการที่ยูดาห์นั้นก็ต้องตกไปเป็นเฉลยของบาบิโลนเหมือนกันพี่น้องครับจําง่ายๆครับฝ่ายเหนือไปก่อนฝ่ายใต้ไปทีหลังฝ่ายเห น, นือโดนอัสซีเรียโจมตี แล้วก็ชนะไพยอัสเรียชนะนะครับอิสราเอลพแพ้ก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยส่วนฝ่ายใต้ยูดาห์ครับแพ้ทีหลังแล้วก็โดนบาบิโลนกวาดต้อนไปครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเดิมทีเดียวครับหนังสือหนึ่งพงศษัตร์นั้นไม่ไดแ้แบ่งแยกออกจากกันเป็นสองเล่มเหมือนกับทุกวันนี้เพราะว่าเนื่องจากมี ปอดศาสตร์ที่ต่อเนื่องและเป็นปอดศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาแต่ตอนหลังนั้นแบ่งออกเพราะว่าพอรวมกันแล้วเป็นหนังสือม้วนใหญ่ครับม้วนใหญ่โตเกินไปที่จะเก็บไว้เป็นเล่มเดียวเพราะว่าถ้าเก็บเป็นเล่มเดียวนะครับมันจะยากต่อการเก็บรักษาและการใช้งานด้วยฉะนั้นก็เลยเกิดเป็น1นึ่งสงพงศษัตร์ซึ่งทั้ง2เล่มนั้นมีความยาวเกือบเท่าเๆกันครับ พี่น้องเราเห็นนะครับว่าเมื่อเราสรุปพระธรรมหนึ่งสพงศกษัตริย์แล้วเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการประเมินชีวิตของบรรดากษัตริย์การประเมินการนาหรือลีดเดอร์ชิพของบรรดากษัตริย์นั้นก็คือประเมินด้วยพระบัญญัติของโมเสสครับกษัตริย์ดีก็คือถือรักษาบัญญัติของโมเสสกษัตริย์เลวหรือชั่วร้ายก็ถือมาตรฐานเกณฑ์ การตัดสินจากพระบัญญัติของโมเสสไม่ได้มีเกณฑ์อื่นๆนะครับในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่กษัตริย์ชั่วร้ายปกครองแล้วประเทศชาติไม่เจอเลยลุ่งเรืองบางครั้งบางคนประเทศชาติก็เจอเลยลุ่งเลืองครับประเทศชาติก็มีความมั่งคัง่งแต่ว่าสูญเสียสาศาสนาไปสูญเสียความเป็นหนึ่งเดียวที่ชนชาติอิสราเอลได้กราบนมัสการกราบไหว้นมัสการพระเจ้า พระเยโฮวาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนอกจากการตามรอยกษัตริย์แต่ละองค์แล้วนะครับผู้เขียนหนึ่งสองพงศ์สัติย์ก็ยังระบุชัดเจนถึงสาเหตุที่พวกเขาเสื่อมทํำไมเสื่อมครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากอดีตไม่ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพระสัญญาของพระองค์ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการอวยพรจากพระเจ้า ต่อคนที่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์และไม่ได้เรียนรู้ว่าคนที่ไม่เชื่อฟังนั้นจะต้องรับการลงโทษจากพระองค์และที่สําคัญครับก็คือว่าความเลวร้ายในการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งพระเจ้านั้นให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนสิ่งที่เป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคริสเตียนนั้นก็คือไปหลงกราบไหว้รูปเคารพ รูปเคารพในสมัยนี้อาจจะไม่ใช่เป็นหินเป็นดินเป็นปูนเป็นโลหะหรือเป็นภาพแต่ว่ารูปเคารพนั้นมีความหมายว่าสิ่งใดก็ได้ที่เราให้ความสําคัญมากกว่าพระเจ้านั่นแหละครับคือรูปเคารพเพราะฉะนั้นนี่คือการประยุกต์ใช้หลักการของรูปเคารพมาในชีวิตของคริสเตียนคริสเตียนนั้นอาจจะมีรูปเคารพหรือมีสิ่งต่างที่สําคัญมากกว่าพระเจ้า ก็เป็นได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการที่มีชีวิตแบบนี้ก็จะเป็นชีวิตที่เราจะขาดพระพรของพระเจ้าและเรากลายเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระวจะนะของพระเจ้าจุดประสงค์และจุดเน้นของหนังสือทั้งสองเล่มนี้มีความแตกต่างครับ2เล่มนี้หมายถึงว่า2ชุดนี้ครับก็คือ1นึงสองพงศษัตรและ1นึงสองพงศวดาน ถาว่าแตกต่างกันยังไงครับเพราะว่าผู้เขียนพระธรรมหนึ่งสองพงศษัตรนั้นเขาให้ความสนใจกับกษัตริย์ทั้งสองประเทศก็คืออิสราเอลฝ่ายเหนืออิสราเอลฝ่ายใต้แต่พงศ์สวดา น, นั้น12ึ่งงพงศ์สวดานให้ความสนใจกับราชวงศ์ดาวิดมากกว่าก็คือในยูดาห์ครับพงศ์สวดานสนใจในบทกวีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของปุโรหิตสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระวิหารการนมัสการ ในขณะที่พงกษัตริย์ให้ความสนใจเรื่องราวของผู้เผยเพระชนะมากกว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบมาตรฐานชีวิตของกษัตริย์แต่ละองค์เราพบว่าในหนังสือพงศสวดาด น, นะครับมีการเปรียบเทียบมาตรฐานชีวิตของกษัตริย์แต่ละองค์ของยูดาเปรียบเทียบกับกษัตริย์ดาวิดครับและในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์เราเห็นว่าเปรียบเทียบมาตรฐานของบรรดากษัตริ ทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้กับธรรมบัญญัติของโมเสสพี่น้องครับเราจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ครับในหนสองพงษ์ขสัตมนั้นใช้มาตรฐานของโมเสสก็คือบทบัญญัติของโมเสสแต่ว่า12ึ่งงพงษ์วัสดินั้นใช้มาตรฐานชีวิตของกษัตริย์ดาวิดโดยเพราะอย่างยิ่งในหนังสือสองพงษ์สวัสดินะครับมักจะมีการอ้างอิงถึงกษัตริย์ดาวิดและการนมัสการพระเยโฮวา นั่นคือเบื้องหลังความแตกต่างของพระธรรมทั้งสี่เล่มนี้ก็คือ 1-2 ึ่งษัตริย์และ 1-2 พงสาวดานครับเพื่อครับบทเรียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้เราได้แลกเปลี่ยนกันนั้นในพระธรรมหนึ่งพงกษรเราจะพบว่าเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำหรับคนอ่านตุ้นหลังๆต่อมาในชีวิตของกษัตริย์และพวกผู้เผยพรชนะ พระเจ้านั้นได้ทรงสำแดงพระองค์งเองและพระประสงค์ของพระองค์งผ่านทางพวกผู้เผยโรชนะของพระองค์งและผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ด้วยเราจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจต่างๆของผู้คนนั้นไม่ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและการเชื่อฟังเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าเขาดื้อดึงไม่เชื่อฟังเขาก็ย่อมประสบผลของการไม่เชื่อฟังที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการล่มสลายของอาณาจักร การพ่ายแพ้เมื่อยกกองทัพออกไปสู้รบกับศัตรูพียองค์พระเจ้านั้นทรงตั้งพระทัยให้อิสราเอลนั้นเป็นผู้ที่จะสำแดงพระสิริของพระเจ้าท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกและเพื่อที่ประเทศนี้จะดำเนินอยู่ภายใต้กฎหมายกฎเกณฑ์และการปกครองของพระองค์พระเจ้าได้ทรงเลือกอับราฮัมให้เป็นบิดาเป็นผู้ที่เป็นที่มาของชนชาตินี้ เพื่อทีจะให้เป็นพระพรแก่คนทั้งโลกพระพรนี้จะมาถึงมวลมนุษยยชาติครับถ้าอิสราเอลยอมให้แสงสว่างของพระองค์อยู่กับพวกตนให้พระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาและทอแสงสว่างนี้ออกมาให้เป็นแสงสว่างแก่ประชาชาติทั้งหลายนั่นคือการประกาศนะครับการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศพระสรของพระเจ้าการประกาศ ทางรอดทางออกให้กับมวลมนุษยาชาติครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันครับหากว่าเราทั้งหลายมีชีวิตที่เชื่อฝั่งพระเจ้ามีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้ามีชีวิตที่ให้พระเจ้ามาเป็นที่1แล้วแล้วก็พี่น้องครับเราจะกลายเป็นแสงสว่างเราจะทําให้หลายหลยคนนั้นได้มีความเชื่อในพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะถูกแพร่ออกไปเพราะว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคน ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องและรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับในการที่เราจะติดตามแสงสว่างนี้และ้แสงสว่างนี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั้นได้ถูกใช้ออกไปเพื่อให้ประชาชนาทั้งหลายได้รู้จักและได้รับพระสิริของพระเจ้ารับความรักของพระเจ้าและรับความรอดที่มาจากพระองค์อเมน